คือสภาวะก็คือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้นี่เองแต่ว่าช่วงสองสามวัที่ผ่านมาเนี่ยก็พิจารณากายต่อเนื่องอยู่นะคะพอเมื่อกี้นั่งฟังหลวงปาค่ะ มันรู้สึกว่ามันร้อนเผาผ่าบริเวณที่หน้าอกเนี่ยก็ทําความรู้สึกว่าเออมันร้อนร้อนแล้วเหมือนเป็นความเคยชินนะคะมันก็จะพิจารณาอะซิฟากัมมาฐานไปในตัวของเขาอยู่แล้วอะค่ะก็นั่งฟังหลงตาไปก็รู้สึกว่าเออเหมือนเนื้อเนื้อบริเวณหน้าอกเรากับกระดูกเนี่ยมันค่อยค่อยแยกค่อยๆยแยกออกจากกันแล้วเสียงหลงตาพูดมันก็เหมือนขาดเป็นช่วงเป็นช่วงอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าวิ เนื้อเนื้อกับกระดูกก็ค่อยคยแยกกันแล้วในใจเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะไม่ได้ยินเสียงดวงตาแล้วแล้วเราก็มันกลัวตายมากมาเลยกลัวแบบน้ําตาร่วงเลยค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราก็แบบพอมันร้องไห้แล้วมันก็ค่อยค่อยคลายค่อยคยคลายแล้วดวงตาก็เทศให้พี่หมีฟังเรื่องของขันห้าเรื่องของสังขารพอดีก็เลยค่อยค่อยค่อยค่อยบอกตัวเองว่า อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเพียงแค่ขันห้าเป็นเพียงแค่สังขารปรุงแต่งอยู่รู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปแต่ว่าความกลัวกลัวตายมันยังจับใจอยู่เลยนะคะมันไม่มีอนาคตเลยมันมันรู้สึกว่ามันตายในปัจจุบันเนี่ยมันตายแน่ตายแน่พิมรู้สึกว่าเรายังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราตายไปแล้วเราจะทํำยังไงดีอนาคตมันมันไม่มีจริงๆอะค่ะ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 ยุดเพลงหยุดกำหนดหยุดพิจารณาปล่อยวางพร้อมปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางสังขารไปทั้งหมดปล่อยวางสังขารกายก็คือเห็นลมหายใจเข้าออกมันค่อยๆอ่อนแรงอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆมันจะหลับแล้วมันจะเบอร์เอร์เบอเบอรความรู้สึกตัวก็ค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปค่อยๆเบอร์เอร์เบอร์เอร์เรือนเรือนเรือนเรือนไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวก็ค่อยๆจะหมดแล้ว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 ลูกผัวลูกเมียก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้แบกหามไปไม่ได้ทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกทั้งหลานทั้งสมบัติพัฒนานบ้านช่องตาแหน่งลาบยศก็ไม่อาจจะเอาไปได้ต่อไปแล้วบัตรนี้หมดเวลาแล้วสิ้นสมมุติแล้วละครชีวิตถึงอวสานแล้วใกล้อวสานแล้วการหลับของเราครั้งนี้ก็คือการดับเป็นครั้งสุดท้ายอาจจะไม่ได้ลืมตาขึ้นมาอีกเลยอา่านใจตัวเองให้ขาด ทุกนาปัจจุบันสอนใจตัวเองอย่างนี้ตลอดเวลาว่าละครชีวิตใกล้ถึงบทอาวาสานแล้วความที่เล่นเป็นตัวแสดงว่าชื่อ น, นี้นามสกุลนี้เกิดเป็นลูกของคนนี้มีรูปล่างหน้าตาแบบนี้ทาหน้าที่การงานอย่างนี้มีตำแหน่งลาบยศอย่างนี้มีมีคนนี้เป็นสามีมีคนนี้เป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อแม่พี่น้อง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 ลงตาเห็นนี่มาสมัยก่อนนี่บ้านล้างใหญ่ๆเคยอยู่กันเต็มบ้านหมดลูกหลานสมบัติประสานเพราะว่าเจ้าของบ้านมีเงินก็มีสมบัติประถานบ้านช่องลูกหลานก็เข้ามาเล่นเยอะแต่บัดเนี้ยลงตาเห็นไปแล้วหลายเห็นหลายบ้านแล้วบัดนี้บ้านนั้นเป็นบ้านล้างแล้วคนในบ้านนั้นก็ตายไปหมดแล้วคนที่เหลือก็ไม่กลับมาอยู่บ้านนั้นแล้ว